สายัณหาการวันเดียวกันนี้ก่อนที่แสงสุดท้ายของทิวาจะสิ้นสุดลงและโดยการเดินแกะสาวรอยเท้าช้างประกอบด้วยรอยตำหนิที่น้องสาวของคณะทาไวกับกิ่งและลาต้นไม้อันเป็นทางที่ผ่านล่วงหน้าไปก่อนแล้วคณะของเชษฐ์เทวราริศภายใต้การนารุดหน้าอย่างรีบเร่งของอดีตพรานชดและหนานอินก็เข้ามาถึงตาแหน่งแอ่งนา้า อันเป็นสถานที่ซึ่งพิสูจน์ได้แน่ชัดจากร่องรอยว่าน้องสาวคนเล็กของคณะได้มาหยุดพักอาบน้ําและกินอาหารกลางวันที่นี่ภายหลังการตรวจสถานที่อย่างละเอียดโดยรอบร่องรอยของกองไฟที่ก่อเผาเผือกมันซึ่งดูเหมือนจะมีใครนํามักรองไว้ให้ก่อนแล้วสิ่งแวดล้อมที่ชี้บ่งว่าดารินได้มาพักอยู่ชั่วขณะหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงเต็ม ก่อนจะออกเดินทางต่อไปทำให้คณะมีความหวังเพิ่มขึ้นทุกขณะเสียงเจ้าด้วนซึ่งเดินล่วงหน้ามาก่อนและบัดนี้ก็ได้มาหยุดรอคอยคณะทั้งหมดอยู่ที่ตำแหน่งนี้ชูงวงทรงเสียงร้องยาวเหมือนจะบอกความในอะไรให้ทราบตอนนี้มันไม่ผลักไปไหนก่อนทั้งสิ้นหากแต่ยืนหันรีหันขวางอยู่ยังตำแหน่งรอบกองไฟที่ก่อไว้นั้น แล้วครับพี่ใหญ่น้อยได้มาหยุดพักอาบน้ำแล้วก็กินอาหารกลางวันอยู่ที่นี่ในขณะที่เราก็เริ่มออกติดตามเขาตั้งแต่เวลาเช้าตรู่ของวันนี้โดยแกะรอยมาตลอดอนุชาร้องบอกมาอย่างมั่นใจภายหลังสองคนกับหลานอินทำการตรวจตาไปรอบๆ บ, บริเวณเขามากช้างลึกลักตัวนั้นใช่ไหมฟังอดีตท่านผู้ทหารบก พี่ชายใหญ่ถามเสียงหนักๆ ห, หัวคิ้วขมวดเข้าหากันขณะที่เพ่งจับดูที่กองไฟอันเป็นรอยอยู่ใหม่ๆพร้อมทั้งเศษเปลือกเผือกมันรวมทั้งหัวเผือกหัวมันดิบที่ยังไม่ได้เผาเหลือตกค้างอยู่บริเวณนั้นเป็นกองค่อนข้างมากทีเดียวครับไม่มีปัญหาอะไรให้ต้องคิดนะจากหลักฐานแน่ชัดที่พบนีครับอนุชายแยกเขี้ยวรีตาลง แล้ใช้เท้าเกลี่ยกองไฟที่ดับหม้อตรงหน้าไม่นั่งมาบนหลังช้างลึกลับตัวนั้นแน่นอนครับแต่เรายังเดาไม่ถูกเท่านั้นเองว่า ไ, ไปไงมาไงเขาถึงสามารถมาคบหาแล้วก็ไปกับมันได้และได้ผ่านมาถึงหนี่เวลาเที่ยงหรือบ่ายมาหยุดพักตอนเที่ยงหรือบ่ายเล็กน้อยลงอับน้ําอาบท่าเผาเผือกเผามันกินอย่างสบายใจเฉยทีเดียวนี่ถ้าไอ้ด้วนไม่ได้มากับเราด้วยนี่ เราก็ต้องเข้าใจว่าเขามาไกลด้วยนั่นแหละเอ๊แต่น้อยก็คงจะไม่มีปัญญาหรือมีเวลาพอที่จะไปแสวงหาขุดหัวเผือกหัวมันจำนวนมากมายก่กองเหล่านี้มานั่งเผากินได้เองหรอกพวกแกคิดยังไงวะชายันถามมาโดยเร็วตรงเข้าไปตรวจดูกองเผือกมันที่ยังไม่ได้เผาที่เหลือกองอยู่ที่นั่นอีกนับสิบหัวใหญ่ ระหว่างที่อดีตพรานชดุดยังเกาคางใช้ความคิดหนักอยู่ชยันก็กล่าวต่อไปเป็นเชิงตั้งคำถามไอ้สเบียงอันเป็นเผือกมันเพื่อใช้เผากินกันตายประทังชีพเหล่านี้นี่มันราวกับว่าจะมีใครมาคอยรับรองจัดหาไว้ให้เสร็จสับพร้อมมูลก็ตรวจ ด, ดูตลอดแน่เลยหรือ ว่านอกจากรอยเท้าของน้อยกระชังลึกลับน่ะจะมีรอยเท้าอื่นอีกไหมที่มันป่าปนแทรกอยู่ด้วยอนุชาหันไปตะโกนสั่งความกระพรานครูผู้เท่าและขยินผู้กำลังก้มก้มเงยๆตรวจบริเวณซ้ำแล้วซ้ำอีกอึดใจใหญ่ต่อมาหนานอินก็ร้องตะโกนบอกมาว่าก็มีก็แต่รอยเท้านายหญิงคนเดียว ไห้ช้างที่นำแกมานีเท่านั้นแหละไม่มีร้อยอื่นอีกเลยรักนายชดแล้วก็ไม่มีบริเวณที่ต้นเผือกต้นมันจะขึ้นอยู่แถวนี้ด้วยพอนายหญิงคุดหาได้เองอีกมันแปลว่าจะต้องมีอะไรนํามาเตรียมรอคอยไว้ให้ก่อนแล้วคือรอให้ในายหญิงมาถึงตรงนี้แล้วก็เตรียมสเสบียงไว้พร้อมไง มันก็เป็นปริศนาที่พิลึกมากนะถ้างั้นนะ่ะท่านหัวหน้าคณะอุทานเอานิ้วเกาท้ายถอยพยายามกว่าตาไปรอบๆ บ, บริเวณ น, นั้นซึ่งก็คงไม่ให้ประโยชน์อะไรเพิ่มขึ้นมานักสำหรับตัวเขาเพราะทั้งน้องชายครูพรานเท่าแล้วก็ขยินก็ได้สำรวจไว้ก่อนหมดแล้วส่วนพวกลูกหาบทั้งหลาย ก็มารายล้อมยืนดูอยู่ด้วยความมุนงงไม่แพ้เจ้านายคนเหล่านั้นก็ซุบซิบพูดจากันเองด้วยสีหน้าตื่นเลือกหลักออะเราก็สรุปได้แล้วว่าน้อยออกเดินทางแต่เช้าตรงบริเวณป่าหินเลยไปกระชางแล้วก็ทำร้อยพวกเราเห็นไว้ทุกระยะนั่นก็เป็นความหมายว่าชี้ทางให้ตามถูกและเมื่อเราออกเดินตามเขา เที่ยงหรือบ่ายเขาก็มาถึงที่นี่พักตรงนี้แล้วก็มีใครก็ไม่รู้ระเตรียมจัดหาสเสบียงเพื่อให้ประทังชีพไว้ให้แล้วน้อยเขาก็หยุดพักที่นี่ระยะเวลาหนึง่งแล้วก็ออกเดินทางต่ออ่ะพี่ลำดับภาพอย่างนี้เธอว่าถูกต้องไหมกลางคุณชายอนุชาก้มลงไปหยิบเปลือกของมันมือเสือขึ้นมาดูมันเป็นรอยที่ดารินแกะลอกเปลือกไว แทบจะเรียกได้ว่าส ด, สดสดร้อนร้อนไม่นานเกินไปนักครับดูจากรอยเปลือกมันนี่มันก็แสดงว่าเวลาผ่านมาเพียงไม่เกินห้าหกชั่วโมงนี่เองครับพี่ใหญ่อฟังให้ดีนะครับผมจะลำดับภาพให้เชา้าเราพบรอยนอนข้างคืนของน้อยที่ป่าหินนั่นแหละว่าเขาออกเดินทางล่วงหน้ามาก่อนเราแล้ว ขณะที่เป็นเวลาเที่ยงของฝ่ายเรากลางหุบลึกก็เป็นเวลาเที่ยงหรือบ่ายของน้อยซึ่งมาหยุดหยุดตรงนี้มันก็จะต้องเป็นเวลาที่วันอยู่มากจึงมีการออกเดินทางต่อถ้าหากว่าเขาหยุดรอเราอยู่ที่นี่สักไม่เกินหกชั่วโมงเราก็จะตามมาพบเขาตรงนี้แหละแต่ไอ้ทีิตามมาพบนั่นก็ปรากฏว่าเขาออกเดินทางต่อไปใชละ ไก่ช้างตัวเดิมนั่นแหละเออแล้วนายว่าน้อยใช้ระยะเวลาอยู่ที่นี่นานสักเท่าไหร่พอจะให้คําตอบได้ไหมกลางใช้ยันกระชั้นคาถามอ่ะทุกคนกําลังเต็มไปได้วยความร้อนรนกระสับกระส่ายเพราะหลักฐานมันกระชั้นชิดเข้ามาแล้วนับตั้งแต่งมกันอย่างส่งเดชมาตลอดเมื่อวันวานโดยยังไม่ได้วีแววอะไรเลย ชันบอกว่าไม่น่าจะช้าไปกว่าหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ไม่น่าจะนานเกินกว่าสองชั่วโมงที่เขาหยุดอาบน้ํากินอาหารตรงเนี้ยหลังจากนั้นก็ออกเดินทางต่อเขาน่าจะมาถึงที่นี่ตอนเที่ยงหรือบ่ายโมงแต่เราตามมาถึงที่นี่เมื่อตอนเย็นใกล้ค่าก็แปลว่าเข้าเส้นทางถูกต้องแนละ้วแต่น้อยล่วงหน้าไปก่อนประมาณสักห้าชั่วโมง อืมแต่ตอนนี้นะมันค่ำแล้วเชิฐามเม้มริมฝีปาก พ, พืมพำออกมามองดูแสงหมุนรอบกายใน พ, พระยพรึกเรามาถึงที่พักเขาตอนเที่ยงแล้วคงจะต้องพักตรงตำแหน่งที่เขาพักอยู่นี่แหละส่วนเขาก็ล่วงหน้าไปพักอยู่ข้างหน้าเส้นทางข้างหน้าที่ใดที่หนึง่งคงจะไม่มีการออกเดินทางในเวลากลางคืนไม่ใช่เหรอ นายหญิงคงไม่เดินทางในเวลากลางคืนหรอกนายใหญ่นั้นอินเป็นคนตอบตัวแกเองตอนนี้ก็มึนงงไม่แพ้คนอื่นก็คงจะมีที่พักอยู่ที่ไหนสักแห่งนึงในระยะที่ช้างมันนำทางไปล่วงหน้าเราห้าหกชั่วโมงนี่แหละแล้วแกก็ชี้มือฝ่าความมืดทึบของราไพรไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ในปาข้างหน้าน น, นั้นอินว่านายหญิงจะต้องพักนอนอยู่แน่ๆแต่ช้างมันเดินเร็วแค่ห6าหกชั่วโมงยังตํำก็ป่าก็าไปสามสี่สิบกิโลละ่ะนายใหญ่กับนายชดจะเอากับนายทหารจะเอายังไงถ้าเราแน่ใจว่านายหญิงพักนอนคืนนี้โดยหยุดอยูก่กะที่ถ้าเราไม่ยอมพักกันในคืนนี้โดยมุ่งหน้าตามไปตลอดทั้งคืน มันก็อาจจะทันนายหญิงได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งตัดสินใจไงไงก็ต้องปรึกษาหารือกันให้แน่ซะก่อนนะท่านหัวหน้าคณะโบกมือยับยัง้งเพราะการเดินทางติดตามรอยมาทุกขณะสำหรับวันนี้จนได้ร่องรอยเพิ่มเติมขึ้นทุกทีมันก็ทำให้ทุกคนเหน็ดเหนื่อยแทบจะหมดแรงเดินอยู่แล้วเขาสั่งให้พวกลูกหาปลงของลงพักก่อนและโบกมือเรียกนานอิน ขยินเข้ามานั่งประชุมกันที่กองไฟเอากลางเรื่องนี้เธอคิดยังไงอนุชาวราฤทธิ์มองหน้าทุกคนผู้ร่วมคณะเออพี่ใหญ่ครับวันนี้นะเราก็หนักกันมาทั้งวันเลวนะครับไอลำพังผมกนานอินและขยินอาจจะเดินต่อไปได้ในเวลากลางคืนแต่พี่ใหญ่ใช้ ย, ยันแล้วก็พวกลูกหาด จะไปกันไม่ไหวนะครับนั่นประการหนึ่งส่วนอีกประการหนึ่งในเวลากลางคืนพวกเราจะเสี่ยงอันตรายกันมากที่สุดครับทังยังจะไม่อาจจะมองเห็นร่องรอยที่น้อยทาทิ้งไว้ด้วยผมเชื่อว่าเขาจะต้องทำรอยชี้ทางไว้ให้เราทุกระยะะเพราะน้อยฉลาดพอในเรื่องนี้ถ้าว่าเราจะค้นหาร่องรอยเขาได้ไม่พบในการเดินทางกลางคืนครับ นี่แต่สําหรับฉันนะ่ะฉันมั่นใจว่าพอไหวนะ่ะเชยันกล่าวอย่างมั่นคงฉันก็ไหวแต่เราต้องเห็นใจลูกหาบบ้างและระหว่างตามเราก็ต้องพร้อมที่จะประจันหน้ากระทุกสิ่งทุกอย่างคิดดูนะว่าระหว่างอ่อนเพลียกันเต็มที่กัดฟันบุกกันไปในเวลากลางคืนหากเกิดประทากับกองทัพช้าง เราจะเสียเปรียบเต็มประตูนะคาพูดของเชิฐาทาให้ทุกคนอึ้งท่านหัวหน้าคณะกล่าวต่อไปว่าและอีกประการหนึ่งที่ขอทักทวงไว้ก่อนก็คือเราจะไม่มีการแยกพวกกันออกติดตามล่วงหน้าไปก่อนพวกหนึง่งและอยู่ทางด้านหลังอีกพวกหนึง่งบเดี๋ยวก็สับสนกันแย่พวกเราทั้งหมดนี่จะต้องอยู่กันพร้อมหน้าทั้งคณะ ขืนแยกพวกกันออกไปอีกมันจะก็จะกลายเป็นหลายห่วงหลายปัญหาที่เกิดซ้อนกันขึ้นมาไปเดี๋ยวก็ได้แตกกระจายกันออกไปหลายหลาฝ่ายตามหากันแย่เลยตอนนี้ขออยู่ในความหมายเฉพาะพวกเราทั้งหมดมุ่งติดตามน้อยฝ่ายเดียวแล้วกันไงไงก็อย่าให้ต้องพลัดกันหลายๆฝ่ายเลยเชิดารอบคอบและมีเหตุผลที่ดีเสมอภายหลังจากที่คิดอนุชาก็ก้มศีรษะลง เรื่องนี้ผมเห็นด้วยกับพี่ใหญ่ครับและถ้าจะตามก็ต้องออกตามกันทั้งหมดนี่แหละหรือถ้าจะหยุดก็ต้องหยุดพร้อมๆกันแยกพวกกันอีกไม่ได้อย่างเด็ดขาดเพราะถ้าตัดสินใจผิดนิดเดียวเราก็อาจจะหลงกลในมันไตรที่ต้องการแยกพวกเราออกไปดักเล่นงานแบบดักเก็บไปทีละชุดเรื่องสับสนห่วงหน้าพวงหลังมันต้องเกิดขึ้นแน่ถ้าทาแบบนั้น ออแล้วถ้าขืนตามหลังกันไปห้าหชั่วโมงโดยฝ่ายน้อยก็ไม่รู้แล้วก็ไม่หยุดรอแบบนี้กว่าเราจะพบเขามันก็อาจจะสายไปแล้วก็ได้ก็ทําไมเราไม่เฉยโอกาสในขณะที่น้อยหยุดพักการเดินทางแล้วเอาจังหวะหยุดของเขาอะ่ะเป็นการติดตามให้กระชั้นชิดเข้าไปอีกของฝ่ายเราล่ะชยันออกความเห็นราชสกุลหนุ่มใหญ่ตบไหล่สหายเขาหนักหน่วง ชยันแกก็มีเหตุผลที่น่าฟังอยู่เหมือนกันเขาพักเราพักเขาเดินเราเดินแบบนี้เมื่อไหร่จะตามทันกันสักทีว่าอันที่จริงจากการที่มีสภาพเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรขณะนี้เราก็ตามรอยเขาถูกแล้วก็ถือว่ากระชันชิดกันมาแล้วชยันกล่าวอย่างรวดเร็วต่อมาอีก อนุชา ย, ยังไม่พูดอะไรแต่สะกิดไหลชัยยันแล้วพยักหน้าให้ดูไปทางพวกลูกหาบห้าคู่ซึ่งบัดนี้พอปลงของลงจักบาตละคนก็ลงนอนแผ่ร้ายอย่างหมดเรี่ยวหมดแรงใจเย็นๆ น, นายทหารเราค่อยปรึกษากันก็ได้อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจอะไรลงไปเดี๋ยวนี้ก่อน เดี๋ยวนันอินจะบอกให้ว่าเราจะทำอะไรได้บ้างสำหรับคืนนี้แต่ตอนนี้ขอให้พวกเราได้พักกันก่อนสักสองสามชั่วโมงเถอะอ่ะงั้นก่อไฟหุงหาแล้วก็พักก่อนแล้วกันเชษฐาประกาศขึ้นในทันทีนั้นหนึ่งรเจสขบวนติดตามทั้งหมด อยู่ในสภาพพักณตำแหน่งที่น้องสาวคนเล็กของคณะได้มาพักอยู่ก่อนเมื่อตอนกลางวันนี้เผือกมันที่เหลือทิ้งอยู่ถูกโยนเข้าไปในกองไฟประกอบกับสเสบียงอื่นๆที่มีพร้อมกันอยู่แล้วระหว่างที่อนุชาและนานอินช่วยกันหยิบผลาผลที่ขุดขึ้นมาจากดินที่ใดที่หนึง่งขึ้นมาพิจารณาก่อนที่จะโยนเข้าไปในกองไฟทีละหัวนั้นต่างก็รวมหัวกันคิด และพูดจากันเบาๆสภาพของคณะทั้งหมดอยู่ในภาวะหยุดพักชั่วคราวลงก่อนโดยไม่กำหนดแน่ชัดว่าจะใช้สถานที่แห่งนี้เป็นที่แรมคืนตลอดคืนหรือไม่เพราะยังไม่มีคำสั่งให้ปูพลาสติกสำหรับนอนเพี่อครับเรามาขบปัญหากันให้แตกเป็นเปลาะปาะไปก่อนดีกว่านะที่สุดอดีตนักเดินดงหัวเห็ด ก็เอ่ยขึ้นขึ้มๆอืมใช่มันมีอยู่สองสามปัญหานะที่เรายังขบคิดกันไม่แตกพี่ใหญ่หรือชัยยันลองว่ามาสิครับแล้วผมจะวิเคราะห์ให้เป็นข้อๆไปอะฟังนะกลางข้อที่หนึ่งอะไรเป็นเหตุเดินใจให้น้อยยอมเดินทางไปกระช้างลึกลับตัวนั้น ขณะเดียวกันก็ทิ้งร่องรอยไว้ให้เราเห็นและช้างตัวนั้นหรือตัวน้อยเองก็มีจุดมุ่งหมายอะไรถึงไปด้วยกันได้ไอ้ข้อนี้ผมแน่ใจว่าเป็นช้างที่ถูกมนุษ์ขจัสารของมันไรแน่นอนแล้วครับเหตุผลก็คือแมไอีด้วนก็ยังไม่กล้าที่จะตามไปด้วยลําพังตัวมันเองแต่มันจะไปพร้อมๆกับเราเพื่อหวังในการช่วยเหลือจากเราด้วย หากเกิดเผชิญหน้ากันเมื่อไหรไอ้ส่วนในข้อที่ว่าทําไมน้อยถึงได้ยอมไปกระช้างของมันไรตรงนี้มันเป็นเหตุผลลึกลับที่ผมยังไม่กล้าคิดหรือยังคิดไม่ออกละครับเออนี่กลางนายว่าเป็นไปได้ไหมในข้อที่ว่าทํากลางการหลงป่าอยู่คนเดียวเหมือนคนลอยคออยู่กลางทะเล เห็นฟังแม้แต่เส้นเดียวลอยมาก็ต้องโผเข้าไปเกาะแม่น้อยก็จะรู้ว่าเป็นช้างผ so exactly er ีลงของมันไรถ้ามันมาในลักษณะที่ยังไม่ได้ทําอันตรายเขาและยอมเป็นเพื่อนในขณะนั้นเพื่อจะช่วยเขารอดได้ก่อนเขาก็จําใจต้องไปกับมันแต่ในขณะที่ไปกับมันน่ะเขาก็ยังมีสํานึกมีสติดีพอที่จะไม่วางใจสนิทเพราะฉะนั้นถึงได้บากตัดกิ่งไม้ทําเครื่องหมายไว้ให้เราตามมาถูกทางไง ครับผมเห็นด้วยครับในข้อสันนิษฐานของพี่ใหญ่นี่มันก็น่าจะถูกต้องละอ่ะทีนี้ข้อที่สองคราวนี้ชัยยันเป็นฝ่ายตั้งคำถามขึ้นบ้างไอ้ช้างลึกลับตัวนั้นน่ะมันจะเอาน้อยไปไหนเอาไปเพื่ออะไรนายทหารข้อที่แน่ที่สุดก็คือ มันต้องการจะเอานายหญิงไปให้ห่างไกลแล้วก็พ้นจากพวกเราให้มากที่สุดละ่ะนั้นอินเป็นคนตอบแล้วอนุชาก็เสริมมาทันทีว่าใช่โดยคำสั่งวงการของมันไรซึ่งเชื่อว่ามันมีตำแหน่งที่หมายและจุดประสงค์แน่นอนอยู่แล้วว่ามันจะเอาน้อยไปที่ไหนไปเพื่ออะไรทั้งคำว่าที่ไหนและเพื่ออะไร นี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องค้นออกไปให้ได้แต่ก็คงจะไม่ก่อนหน้าที่เราจะตามทันน้อยในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นะถ้ามันไรมันคิดจะสังหารน้อยก็คงจะให้ช้างฆ่าหรือกระทาการอย่างใดก็ได้อันเป็นอันตรายต่อน้อยได้อยู่ตลอดเวลาแล้วนี่ถูกต้องไหมครับถูกต้องครับมันยังไม่คิดที่จะทำอันตรายน้อยก่อน มิฉะนั้นคงไม่ส่งช้างมารับตัวไปหรอกเออแล้วก็โดยทิศทางการเดินโดยมีจุดพักเป็นแห่งๆมีผลไม้เผือกมันเป็นสเสบียงจัดเตรียมไว้ตลอดเส้นทางแบบนี้ก็น่าจะเป็นฝีมือของไอ้ผีดิบนั่นที่จัดเตรียมไว้ให้น่ะสิชัยยันว่ามันก็แน่นอนที่สุดละน้อยเขาไม่มีปัญญาไปขุดหาเผือกมันมาด้วยตัวเองหรอก และนี่ก็บ่งชัดแล้วนี่ว่ามันต้องการจะได้ตัวน้อยไปในสภาพที่ยังมีชีวิตอยู่ยังไม่คิดที่จะเข็นฆ่าทาอันตรายโดยถือโอกาสตอนที่น้อยหลงทางไปคนเดียวหมดเครื่องที่จะปกป้องตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพได้เราต้องย้อนไปคิดถึงเหตุการณ์ก่อนหน้านี้สักนิดนึงมันเทน้ำลงมาใส่พวกเราหมายใจพินาศแตกแยกกันไปทั้งคณะบังเอิญบังเอิญว่าพวกเราก็รวมตัวกันอยู่ได้ มีน้อยคนเดียวที่ถูกอุบายของมันแยกตัวห่างคณะออกไปมันก็เลยได้โอกาสนั้นเข้าครอบงำชักพาทันทีแต่รับรองได้ว่าน้อยก็รู้ทันแล้วก็รู้ตัวด้วยไม่งั้นจะไม่ทำร่องรอยทิ้งไว้เราตามมาได้ถูกทางหรอกสรุปก็คือว่าน้อยจำใจจะต้องไปกระช้างของมันแต่ก็พยายามชี้บอกทางให้พวกเรามีโอกาสตามได้ด้วย น้อยมีสติปัญญาที่จะเอาตัวให้รอดไปได้ก่อนเพราะถ้าขัดขืนอาจจะเกิดอันตรายแล้วก็คงจะคิดด้วยว่าถ้าตัวสามารถจะยืดชีวิตออกไปได้นานเท่าไหร่โอกาสที่จะรอดก็ย่อมจะมีมากกว่าที่จะขัดขืนอืมมันก็เป็นเหตุผลที่น่ารับฟังได้นะกลางพี่ชายใหญ่จับแขนอนุชาไว้แล้วพยักหน้าลง ถ้าเราตั้งสมมุติฐานไว้ได้เช่นนี้เราก็จะตัดสินใจกันได้อย่างนี้เอาเป็นว่าเราทั้งหมดจะหยุดพักกินอาหารที่นี่และนอนเอาแรงกันสักสามสี่ชั่วโมงพร้อมพูดท่านหัวหน้าคณะผู้ชานฉลาดและรอบคอบที่สุดยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูขณะนี้หกชั่โมงเศษเล็กน้อยเดี๋ยวกินอาหารเสร็จ เราจะนอนพักกันสักหชั่วโมงทุกคนจะตื่นกันขึ้นในเวลา23่สานาฬิกาในคืนนี้แล้วเราจะออกเดินทางทันทีเดินมันกลางดึกกลางดืนนี่แหละเพื่อกระชั้นระยะทางเข้าไปในระหว่างน้อยเป็นฝ่ายพักโดยตอนนั้นน้อยจะยังไม่เคลื่อนย้ายไปไหนส่วนเราก็เป็นฝ่ายฉวยโอกาสสาวระยะเข้าไปในเวลากลางคืนก็จะเดินกันยันสว่างเลยสมมุติว่าระยะ จากน้อยถึงกระเราห่างกันตอนนี้สัก40กิโลเมตรแต่ถ้าเราเริ่มต้นออกเดินทางตอนเช้าอระยะ40กิโลที่ห่างทิ้งกันนี่ก็ยังจะคงเป็นระยะเท่าเดิมอยู่แต่ถ้าเราใช้เวลากลางคืนเดินตามไปแม้จะถึงตอนเช้าแล้วน้อยออกเดินทางต่อระยะมันก็อาจจะกระชั้นใกล้เข้ามาอีกครึ่งหนึ่งคืออาจจะเหลือสัก2 0กิโลเท่านั้นถูกต้องไหม ตามหลักวิชาคนวนนานอินตบเข่าโดยแรงนายใหญ่คิดอย่างเดียวกับ น, นานอินเลยเราพักพอให้มีแรงเชก่อนแล้วก็ออกเดินเชในคืนนี้แหลยยะยายอไม่เสียเวลาเปล่ามันจะได้ใกล้ตัวนายหญิงก็ไปอีกไงเออพูดนะ่มันง่ายจะทํามันยากนะ่ะชายันเองก็อยากจะออกติดตามเชในคืนนี้เลย แต่ต้นแล้แต่ก็อดแย้งมาไม่ได้ก็ไหนใครบอกตะกี้ว่าในเวลากลางคืนเราจะหาร่องรอยของน้อยไม่ได้ไงเชิดาหันไปมองหน้าอนุชาและหนานอินสลับกันแล้วพูดว่าไหนทั้งสองคนลองบอกเหตุผลมาสิว่าเราพอจะเดินทางตามน้อยในเวลากลางคืนในไพร ล, ลึกที่สุดนี่ได้ไหมและถ้าได้นะ่ะได้ยังไง มันจะตรงกับที่พี่คิดไว้หรือเปล่าพี่ใหญ่ครับในความคิดของผมกับลุงอินตอนนี้ก็คือเราจะไม่เสียเวลามาตรวจรอยบากฟังกิ่งไม้ของน้อยให้เสียเวลาอีกละในเวลากลางคืนเช่นนี้แต่เรามีมรคคุเทศชั้นดีที่จะนำทางเราได้เพราะมันจะต้องมีแสญชาตยญาณรู้ว่าน้อยน่ะไปพักนอนอยู่ที่ไหนในคืนนี้นั่นก็คือไอ้ดวด เราต้องหาทางให้มันเป็นตัวนำทางให้ได้พี่ใหญ่คิดไว้ก่อนอย่างนี้หรือเปล่าล่ะครับหม่อมราชวงศ์เชิดาวราริศผงศรีสะลงดวงตาสีเข้มของเขาสอแววของการพร้อมที่จะต่อสู้กล้าเผชิญทุกสิ่งทุกอย่างเด็ดเดี่ยวยิ่งก่อไปด้วยความสุขุมลึกซึ้งโดยไม่เปลี่ยนแปลงมองละไปตามใบหน้าของผู้ร่วมเป็นร่วมตาย ผู้เข้ามาประชุมกันอยู่ในขณะนั้นทีละคนก่อนจะเอ่ยขึ้นเคร่งขึ น, ขนจริงจังว่าถูกต้องเราจะหวังพึ่งอะไรไม่ได้อีกละในการเดินกลางคืนท่ามกลางป่าดงดิบดํำนี่นอกจากการนําของเจ้าด้วนตัวเดียวเท่านั้นและพี่ก็แน่ใจนะว่าพี่สามารถที่จะทําความเข้าใจกับมันได้เมื่อเช้าตรู่ของวันนี้ก็เช่นกัน เราออกเดินทางก่อนตะวันขึ้นตั้งชั่วโมงก็เรียกว่าเดินกันในความมืดนั่นแหละแลวเจ้าด้วนมันก็เป็นตัวนำทางให้กับเราก็ทำไมล่ะภายในคืนนี้มันถึงจะนำเราไปไม่ได้ถ้าหากว่ามันรู้จุดประสงค์ของเราอนุชาหนิ่งคิดเหมือนจะไตรตรองอะไรบางอย่างและมองไปทางนันอินคนคู่ใจส่วนชัยยันจ้องหน้าสหาหของตนขมิง ขยับปากเหมือนจะพูดอะไรออกมาแต่แล้วก็ถอนใจแทนหุบปากนิ่งซะราชสกุลหนุ่มสังเกตอาการของคนเหล่านั้นอยู่ก่อนแล้วพอะจะเดาความรู้สึกได้จึงยิ้มออกมานิดนึงกล่าวเนิบช้าลึกซึ้งต่อมาว่านี่ทุกคนคงจะมีคำถามว่าฉันจะสามารถพูดจาภาษาช้าง ให้เจ้าด้วนเข้าใจจุดประสงค์ของเราได้ยังไงอย่างนั้นใช่ไหมพร้อมกับกล่าวประโยคนั้นท่านหัวหน้าคณะแลบไปทางร่างกายอันสูงใหญ่ของช้างคู่บารมีของดารินนับตั้งแต่มันนำทั้งคณะมาพบร่องรอยตำแหน่งแห่งที่ซึ่งดารินพักอยู่เมื่อตอนกลางวันแล้วก็ไม่ได้พาห่างไปไหนเลยคงยืนหรือเดินป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้ๆประดุดช้างเลี้ยงฉะนั้น ขณะนี้มันกําลังกวาดเอากองเผือกมันดิบที่ยังเหลือตกค้างอยู่ใส่ปากเคี้ยวอยู่นี่ทุกคนยอมรับแล้วนะว่าเจ้าด้วนเป็นช้างแสนรู้ฉลาดเกินสัตว์เดรัจฉานแล้วก็มีจิตผูกพันอยู่กันน้อยมีความเป็นห่วงน้อยไม่แพ้พวกเราเหมือนกันเราติดตามน้อยมันก็กําลังติดตามอยู่ด้วยเช่นกันซ้ํายังไม่กล้าแยกเดี่ยวออกไปไหน นอกจากร่วมขบวนกับเรามาโดยตลอดฉันไม่สามารถจะพูดภาษาช้างได้เท่าเท่ากับที่มันก็พูดภาษาคนไม่ได้แต่ความเข้าใจระหว่างมนุษย์กับสัตว์น่ะมันเป็นการเข้าใจกันด้วยกระแสะจิตฉันมีความเชื่อแน่ถึงกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นว่าจะสั่งให้มันนำทางเราภายในคืนนี้ได้เอาละเรามาลองทดสอบกันดูก่อนเดี๋ยวนี้ จบคำพูดอันเต็มไปได้วยความมั่นใจนั้นเชษฐาก็ลุกขึ้นยืนเดินออกมาจากกลุ่มเล็กน้อยพร้อมกับเปล่งเสียงตะโกนดังๆขึ้นว่าด้วนฉันกำลังเรียกเจ้าเดินเข้ามานี่สิเดินเข้ามาเดินเข้ามา ไม่ต้องเสียเวลาซ้ำประโยคอีกแล้วสิ้นกระแสะความที่เชิฐาร้องเรียกออกไปพร้อมกับอาการโบกมือเรียกนั้นเจ้าช้างป่าแสนรู้ซึ่งมีความพักดีกับดารินเป็นพิเศษออกไปแล้วในขณะนี้ก็ร่วมคณะมากับฝ่ายของเชิฐาด้วยได้แสดงอาการตื่นตัวต่อสำเนียงเสียงเรียกอันดังของเชิฐา โบกวาดใบหูใหญ่อยู่ไปมาแล้วหมุนเอี้ยวตัวช้าๆพร้อมกันก็ก้าวเดินแช่มช้าตรงเข้ามาทันทีราวกับจะฟังภาษามนุษย์ออกฉะนั้นทุกคนจ้องมันเป็นตาเดียวเชษฐาเก้าล้าออกไปอีกเล็กน้อยเจ้าร้วนเดินเข้ามาหยุดยืนตระนานอยู่เบื้องหน้าของเขาเมื่อเชษฐายื่นมือออกไป มันก็ยกปลายงวงขึ้นสูงก่อนจากนั้นก็ค่อยๆลดลงมาแตะดมอยู่ที่ฝ่ามือของเขาด้วนฟังนะพวกเราทั้งหมดต้องการตามให้พบนายหญิงของเจ้าโดยเร็วที่สุดเขากล่าวด้วยวาจาช้าๆแต่เพ่งแต่เพ่งกระแส จ, จิตแนวนิ่ง ไปยังดวงตาเล็กตีคู่นั้นด้วนเราจะพักกันอยู่ที่นี่สักระยะหนึ่งก่อนแต่ในตอนดึกของคืนนี้พวกเราทั้งหมดจะออกเดินทางต่อในเวลากลางคืนพวกเราไม่อาจเดินทางได้ตามลำพังแต่เจ้า มีความสามารถที่จะเดินนำพวกเราไปได้แล้วเจ้าก็ควรจะรู้ด้วยว่านายหญิงไปในทิศทางใดเพราะฉะนั้นเมื่อเราพร้อมที่จะออกเดินทางเมื่อไหร่เจ้าจะต้องเป็นผู้นำทางเจ้าจะต้องเป็นผู้นำทางพวกเราฝ่าราตรีนี้ไปในป่าใหญ่นี่ เอาละถ้ากระแสจิตที่ฉันส่งความไปถึงเจ้านี่ทำให้เจ้าเข้าใจความหมายได้ก็ขอให้ส่งเสียงร้องออกมาอย่างลึกลับมหัศจรรย์ที่สุดเจ้าด้วนชู ง, งวงสูงขึ้นอีกครั้งกวัดแกวงในอากาศ แล้วเปล่งเสียงร้องเปรันออกมาครั้งหนึ่งท่างตางราตรีสงัดนั้นเสียงร้องของเจ้าด้วนดังสนั่นไปทั่วไพรกว้างเชิาสูดลมหายใจลึกอย่างเต็มที่ด้วยความมั่นใจและปิติยินดียิ่ง เขาเดินเข้าไปรูปที่ขาหน้าอันใหญ่โตของมันและหันกลับมายังพักพวกทุกคนที่จ้องนิ่งตะลึงมาเป็นตาเดียวกันประกาศว่าเป็นไงทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมเจ้าด้วนรู้เรื่องเข้าใจในสิ่งที่ฉันบอกความกับมันคืนนี้เราเดินทางได้แน่นอนโดยมีเจ้าด้วนเป็นมัคุเทศซึ่งจะนำเราไปอย่างถูกทิศทาง และปลอดภัยที่สุดชั้นเชื่อเช่นนั้นทั้งอนุชาชายันแะหนานอินรวมทั้งขยินพากันลุกขึ้นเดินตรงเข้ามาที่เชษดถาทันทีท่านหัวหน้าคณะตบที่ลำขาของคจฉาลใหญ่กล่าวกระมันด้วยสำเนียงอ่อนโยนและปราณีว่าขอบใจมากนะด้วนตอนนี้เจ้าเองก็ไปพักซักก่อนเถอะนะ ยังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวนี้หรอกแต่อย่าไปไหนห่างพ้นระยะสายตาของพวกเรานะถึงยังไงตอนนี้เราก็ได้ร่วมเป็นร่วมตายกันอย่างสนิทแน่นแฟนแล้วและเจ้าก็จะเป็นกำลังสำคัญที่สุดในการติดตามค้นหานายหญิงครั้งนี้ช่างป่าผู้มีอดีตนิสัยเกะกะเกเรมาก่อนแต่ไม่เคยที่จะทำอันตรายต่อชีวิตของพรานหรือชาวป่าคนใด และรับินไพรวันละเว้นไว้โดยไม่ทำอันตรายใดๆต่อมันเช่นกันจนกระทั่งในที่สุดอาจจะเป็นด้วยกุศลผลบุญที่เคยสร้างสมกันมาแต่ปางก่อนทำให้มันมีจิตพักดีรักใคร่ดารินผู้เคยให้ความเมตตาแก่มันบัดนี้มันขยับขยื่นกายแช่มช้าอีกครั้งเดินเลี่ยงไปยืนพิงโคนไม้ใหญ่ใกล้ๆต้นหนึ่งอย่างสงบ กระแสจิตตานุภาพของพี่ใหญ่นี่แรงกล้าเหลือเกินอนุชาวราริธพึมพำรรออกมาอย่างสุดทึงขนาดลุงอินเองยังยอมรับว่าแกยังไม่แน่ใจเลยว่าจะผู้จาสั่งความใดๆกับเจ้าด้วนได้อย่างทะลุปรุกโผแต่พี่ใหญ่ทำได้นี่ถือว่าเป็นเรื่องพิเศษที่เดียวแล้วครับผมยอมรับครับว่ามันยอมเชื่อฟังเข้าใจแล้วก็ ปฏิบัติตามที่พี่ใหญ่สั่งการได้ใช่ใช่ใช่ใช่ใ ช, ใช่ชัยันรับมาอีกคนนึงพร้อมกับรอยยิ้มอย่างสมหวังเข้ามาจับมือเชษฐาเขยา่าแรงๆแกนี่วิเศษจริงๆครั้งแรกพวกเราคิดว่านอกจากน้อยแล้วไม่มีใครหรอกที่จะบงการเจ้าด้วนได้แต่เดี๋ยวนี้พิสูจน์แล้วว่ายังมีแกอีกคนนึงที่สามารถจะติดต่อส่งภาษารู้ความกับมันได้ โอ้ยนายใหญ่พูดภาษาช้างได้ชื่อผู้กับมันทีเหอะว่าใหญ่มันนะขับไล่อีกไล่ขับขยินหรือคิดจะเล่นทะลึ่งหนักๆ ก, กับขยินอีกมันนะชอบเอาปลายงวงมาโคกหัวขยินอยู่เรื่อยเลยเจ้านายบ้านลมช้างบอกเข้ามาด้วยภาษากระเรียงที่เชษฐาบัตรนี้พอจะฟังเข้าใจได้เข้าหัวรอเบาๆเฮานา ไม่ต้องกลัวรอขยินต่อไปนี้เจ้าด้วนน่ะเป็นเพื่อนตายของเราจะช่วยเหลือเราทุกอย่างเท่าที่มันจะทําได้สําคัญขยินก็อย่าไปด่าว่าอะไรมันก็แล้วกันก็ครั้งแรกขยินเอาปืนลูกซองไปยิงมันก่อนไม่ใช่เลย อ, อ้าวก็มันเสือกทะลึ่งไล่ขับ ข, บขยินทําไมล่ะเห็นดีไรขับทุกทีอะสมัยก่อนโนน่ะบางทีต้องมุดเข้าไปอยู่ในกอหนามไผ่ กว่าจะหาทางออกได้นะักแทบตายเลยนี่ใหญ่ขยินบน่นอู้อีเมื่อนึกไปถึงความหลังระหว่างตัวมันกับเจ้าพลายเกเรตัวนี้ไม่รอกมันแกล้งล้อเล่นเป็นงั้นเองขยินก็ถ้ามันคิดจะฆ่าขยินจริงอ่ะฉันว่าป่านี้ขยินถูกมันเหยียบแบนตั้งแต่ไปแล้วท่านหัวหน้าคณะยิ้มสดชื่นตบไหลนักเลงโตหล่มช้างบริวารเต่า ซึ่งมาร่วมเป็นร่วมตายกับคณะของเขาอีกครั้งแล้วหันไปทางพรานนานอินซึ่งยืนนอมือรูปริมฝีปากมองเขาอยู่นิ่งๆถามมาว่าลูอินลูนว่าไงมีทางแล้วในายใหญห่าแรกนานอินก็ยังหนักใจอยู่ว่าจะให้มันนำทางเวลากลางคืนได้ไงนานอินอเคยเป็นควานช้างมาก่อน ยังพูดกับมันไม่ค่อยจะรู้เรื่องนักแต่นายใหญ่กลับรู้เรื่องกับมันดีที่สุดเออก็แปลกจริงๆอ่ะก่อนนี้ก็มีนายหญิงมันก็เชื่อฟังนายหญิงแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีนายหญิงละมันก็พยายามจะเข้าใจรู้เรื่องกับนายใหญ่ได้ดีที่สุดถ้ารู้เรื่องกันแบบนี้เราก็ทำตามที่เรากา ก, ากันไว้ได้ก่อนเลยแขมบอกมาด้วยน้าเสียงต่าลึกแล้วหันไปสั่งพวกลูกหา ใครกินอาหารเสร็จก็รีบนอนพักเอาแรงทันทีเพื่อเตรียมออกเดินทางกลางดึกภายหลังเมื่อตื่นกันขึ้นมาแล้วแล้วกลุ่มของเชิฐาก็วางแคมป์พักนอนชั่วคราวทันทีทุกคนรู้ดีว่าการเดินทางไปในป่าดงดิบดำในความมืดของยามราตรีเป็นสิ่งที่เสี่ยงอันตรายที่สุดแต่บัดนี้ก็วางใจได้แล้วถ้าหากว่ามีเจ้าด้วนอันเป็นช้างป่า ซึ่งมีสัญชาติยานไพราตามธรรมชาติของมันอยู่แล้วเป็นผู้นำทางเพราะมันจะต้องรู้ดีอยู่ว่าการนำกลุ่มมนุษย์ไปทางด้านใดยังไงจึงจะปลอดภัยจากสัพพอันตรายและถูกต้องกับเป้าหมายโดยไม่ตเตลิดหลงออกนอกทิศทางทั้งห้าคนของฝ่ายนายจ้างอันสมทบด้วยนานอินและขยินอันจัดว่าเป็นกลุ่มของหัวหน้า นอนเรียงกันเป็นหน้ากระดานริมกองไฟที่ก่อไว้อาศัยไออุ่นใช้เพียงผ้าพลาสติกรองพื้นและผ้าห่มคลุมตัวเท่านั้นทั้งหนานอินและขยินหลับไปอย่างรวดเร็วและง่ายดายเพื่อเตรียมรอคอยเวลาที่จะตื่นขึ้นมาก่อนเที่ยงคืนส่วนเชษฐาชัยยันและอนุชาซึ่งนอนอยู่ชิดกันยังสู่บุหรี่แดงว่าบว่าบกันอยู่และสนทนากันเบาๆ เชิงหารือเชษฐาตั้งเวลานาฬิกาข้อมือเดินป่าของเขาให้ปลุกเวลา23นาฬิกา30นาทีนั่นแปลว่าอย่างช้าถ้าหลับกันไปในเวลาสองทุ่มก็จะได้พักหลับกันสี่ชั่วโมงครึ่งมันจะเอาน้อยมุ่งหน้าไปทางไหนนะ่เนี่ยผมก็เดาไม่ถูกจริงๆเจ้า เสียงอดีตพรานชดเอ่ยขึ้นเบาๆขณะอัดควันบุหรี่ลึกก็ไม่เฉพาะแกรอกกลางฉันกระเชิฐาก็กำลังคิดอยู่ทุกขณะจิตนี่แหละชยันตอบมาเขานอนอยู่ตรงกลางโดยมีพี่น้องราชสกุลขนาบอยู่คนละด้านเอนี่เฉยันในคณะของพวกเราที่มาด้วยกันนี่ทั้งหมดก็มีตัวแกเองพี่ใหญ่แล้วก็เคยิน สามคนที่เคยผ่านเข้าแดนนิทรานครมาก่อนแล้วอะอดีตพรานชดเอ่ยต่อมาอีกว่าวันนี้ทั้งวันที่เราแกะรอยน้อยมาตลอดแต่พอจะจำภูมิประเทศได้บ้างไหมวะว่ามีส่วนไหนมั่งที่มันคุ้นๆตาหรือว่าเคยผ่านมาแล้วในครั้งก่อนน่ะไม่มีหรอกกลางมันไม่มีอะไรให้เราทั้งสามคนสังเกตเห็นได้เลยนะ ว่ามันจะเป็นบริเวณหรือสถานที่อันเคยผ่านมาก่อนแล้วในตอนนั้นนะ่ะเชตดาเป็นคนตอบภูมิประเทศของนิทรานครหรือป่าก่อนที่จะเข้าสู่ดินแดนนะ่ะก็พอจะจํากันได้อยู่มั่งหรอกแต่มันก็ไม่เหมือนกับที่เราผ่านกันมาทั้งวันของวันนี้เลยสักนิดนะึงหรือว่าบางทีมันอาจจะเป็นคนละทิศทางก็ได้นะ แล้วตอนนั้นน่ะเคยทำแผนที่ไว้มั่งหรือเปล่าล่ะครับพี่ใหญ่ในเรื่องนั้นน่ะรพินเขาอาจจะเคยทำไว้นะแต่ทำพวกเราไม่มีใครทำหรอกแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงด้วยเพราะเราก็ต่างไม่ชำนาญกันมาก่อนในนรกดำเนี่ยอ่ะและเธอเองละ่ะสมัยที่เดินมากระลุงอินเบียงสองคนเคยผ่านภูมิประเทศแถบนี้มาก่อนมั่งไหมละ่ะไม่เลยครับพี่ใหญ่ ผมบอกแล้วไงว่าสมัยที่ผมมาตามลำพังกับลุงอินน่ะผมไม่เคยพบนครรางของนิทรานนครมาก่อนไม่เคยพบกริชเดชของเจ้ามันรายมันเป็นเพียงป่าธุรกันดานที่บุกบั่นกันไปเท่านั้นเราอาจซ้ำรอยพบเหมือนกันก็เฉพาะที่เทือกเขานิลการอันเป็นนครวานอนของวายาเท่านั้นแหละครับพี่ใหญ่เออเท่าที่จำได้ ก่อนจะเข้าสู่อาณาจักรร้างเก่าแก่โบราณภูมิประเทศมันเป็นทุ่งหญ้าสูงสูงต่ำต่ำแวดล้อมไปด้วยเนินเขานับไม่ท่วนแต่เป็นเนินเขาที่เตี้ยอยู่ท่ามกลางทุ่งโล่งกว้างใหญ่นั่นแต่ที่เราผ่านกันมาในวันนี้เราเดินกันในดงทึบตลอดนี่ไม่มีส่วนใดที่เราพอจะมองเห็นได้ว่ามันเป็นบริเวณของซากนครเก่าชายันพูดเหมือนรำพึง เออหนิแล้วแกน่ะเคยเข้าไปติดขังอยู่ในภูเขาที่เป็นสุสานของไอ้ผีดิบพวกนั้นไม่ใช่เหรอไปกับเมย์ไงอืมใช่ถ้าไม่ได้รับพินกับพวกนี้ตามไปพบแล้วระเบิดช่องหาทางออกให้ป่านนี้ฉันกับเมียกลายเป็นผีดิบอยู่ในสุสานแห่งนั้นแล้วยังจําภาพและเหตุการณ์ได้ดีที่สุดเลยวะ่ะอะและนี่ถ้าถ้าเผื่อว่าพ บ, พบเห็นอีกทีหนึ่งเชื่อแน่ไหมว่ายังจําได้ โถ oh, จำได้ดี่จำได้แน่นอนเลยถ้าพบเห็นอีกทีต้องจำได้อยู่วันยังค่ำแหละยุคนั้นนะพวกเราถูกแยกออกไปเป็นสามพวกไงระพินกันน้อยนะฝ่ายหนึ่งเชษฐากับพักพวกส่วนใหญ่ซึ่งก็มีขยินร่วมอยู่ด้วยอีกฝ่ายนึ่งไอชั้นกับเมย์ตามลําพังสองคนก็อีกฝ่ายนึงพวกเราเดินอยู่ในเขตนะคนรร้างนั่นแหละแต่ข้ามาคนละทิศชั้นกับเมนะ่ะซวยกว่าเพื่อนไงเข้าไปติด ก, กับดักอยู่ในป่าช้าผีดิบใต้ภูเขา โชคดีอยู่มั่งล่ะที่มันไตรในยุคนั้นยังไม่ได้ใช้ไอ้ผีดิบที่อยู่ใต้ภูเขานั่นให้แห่ออกมาเล่นงานเราสองคนเพียงแค่ทําประตูกนเข็นหินทั้งแท่งหลน่นลงมาปิดขังเราสองคนไว้เท่านั้นเออนีนะจะยังไงก็ตามฉันก็มีความเชื่อมั่นนะว่าเจ้ามันไตรมันจะต้องหาทางเอาน้อยกลับไปสู่อาณาจักรนิทรานครอีกครั้งอย่างแน่นอน แล้วนิทานาครก็คงจะไม่มีอาณาเขตที่มันแคบจำกัดเหมือนอย่างที่พวกแกเคยผ่านกันมาก่อนเนาะมันอาจจะมีบริเวณที่แผ่กระจายกว้างไกลเกินกว่าที่พวกแกพบในครั้งนั้นปราสาทปันทุมวดีที่อ้างว่าใช้ระเบิดทําลายเป็นกองหินไปหมดแล้วพวกแกยังจําได้ไหมถ้าเผื่อบังเอิญว่าเข้าใกล้อ่ะเรายังจํากันได้ล่ะกลางขอเพียงให้เฉียดกับไว้ใกล้สักก่อนเท่านั้นแหละ จำได้แน่นอนผู้ที่ตอบในครั้งนี้คือพี่ชายใหญ่ของคณะงั้นพี่ใหญ่ครับทางไงไงพรุ่งนี้ในขณะที่เราออกเดินตามกันไปเรื่อยๆเนี่ยเราอาจจะเห็นเขาเงื่อนอะไรขึ้นมาบ้างก็ได้นะครับพี่ใหญ่เอาเป็นว่าขอให้พี่ใหญ่ใช่ ย, ยันแล้วก็ขยินช่วยกันสังเกตให้ดีก็แล้วกันอดีตพรานชดว่าแล้วดีดก้นบุรี กระเด็นเข้าไปในกองไฟที่ก่อไว้ทางปลายเท้าพี่ใหญ่ครับถึงไงผมก็ยังคิดว่าการติดตามน้อยในครั้งนี้รวมทั้งตามราพินด้วยมันคงไม่ยากเย็นเข็นใจเหมือนกับครั้งที่คณะของพี่ใหญ่กระพินออกติดตามผมในครั้งนั้นหรอกเพราะคราวนั้นน่ะผมเดินล่วงหน้ามาก่อนเป็นปีแต่นี่มันสดสดร้อนๆแล้วก็จับรอยติดหลังกันมาทุกริยะอยู่แล้ว เราไม่มามัวเสียเวลาตามน้อยซะ ก, ก่อนโดยติดตามเฉพาะฝ่ายระพินผมเชื่อนะว่าเราอาจจะก้าวสกัดดักหน้าแล้วก็พบพวกเขาในระหว่างทางเร็วๆนี่แหละแหมแต่มันมาเกิดอุปสรรคเหตุที่น้อยต้องพลัดไปซะ ก, ก่อนทําให้เราต้องมาเปลี่ยนเป้าหมายชั่วคราวแล้วก็การตามน้อยมันก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องแรกที่เราจะต้องกระทําลงไปก่อนซะด้วยสิ อืก็ขอภาวนาให้เป็นอย่างที่เธอพูดแต่นะกลางเจตหากล่าวมาเสียงแผ่วต่ําอีกครั้งที่ตามเธอกับลุงอินน่ะตอนนั้นน่ะเรามีมือดีถึงสองคนเชียคือมีระพินแล้วก็แง่สายเป็นแกนนําทางแต่ตอนนี้เรากลับต้องอาศัยเธอกับลุงอินเป็นแกนนําเพื่อติดตามทั้งน้อยและระพินมันก็เป็นการผลักกันแต่ก็ไม่ค่อยจะเข้าท่าเลย พี่น่าเชื่อมือเธอกับลุงอินแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่อุ่นใจถ้ากับมีระพินหรือแง่ทรายมาเป็นผู้นำทางครับพี่ใหญ่เรื่องนี้ก็ยอมรับนะครับมันเป็นของแน่นอนผมกับลุงอินจะไปสู้ระพินกับแง่ทรายได้ยังไงทั้งสองคนนะ่ะตลอดชีวิตเขาอยู่แต่ในป่าไอ้ผมมันก็แค่สมัครเล่นเท่านั้นส่วนลุงอินแกก็แก่เกินไปใช่ละตอนนี้ นี่แต่ตอนนี้เรามีเจ้าด้วนอยู่ด้วยอีกตัวนึงนะถึงแม้มันจะเป็นสัตว์ก็ตามแต่มันก็รู้จักดีทั้งรบพินแล้วก็น้อยผู้ที่เรากำลังติดตามอยู่ขนาดนี้เฮยังไม่ถึงก็สิ้นหวังนักแล้วนะชายันเสริมอะเช่ท้าประงกศรสัสขึ้นดูไปทางด้านปลายเท้าขวามือโคลนไม้ใหญ่ยังเห็นเจ้าด้วนยืนโยกกายช้าๆอยู่ตำแหน่งที่เดิมไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหน เวยนยามสำหรับการพักนอนกันชั่วขณะไม่จำเป็นจะต้องมีตราบใดที่ช้างใหญ่ตัวนั้นยังอยู่ใกล้เคียงบริเวณเพราะถ้ามีเหตุร้ายใดๆย่างกลายเข้ามาใกล้อีกคณะทั้งหมดถึงยังไงมันจะต้องเตือนภัยให้ทราบล่วงหน้าในทันทีเอาเอาเป็นว่าสุบุรีหมดตัวแล้วก็นอนกันเถอะหลับสักสามสี่ชั่วโมงก็ยังดีเอาละหยุดพูดได้ มีอะไร ก, ออก็ว่ากันใหม่ภายหลังตื่นขึ้นตอนนี้หลับก่อนนะนี่คือคำสั่งแล้วทั้งสามก็สงบเงียบการพูดจากันลงไปในบัดนั้ น, นเสียงออดเบาๆจากนาฬิกาข้อมือของเชษฐาก็ลั่นปลุกขึ้นตามเวลาที่กำหนดไว้ ทั้งสคนตื่นขึ้นในทันทีพร้อมกันอย่างว่องไวเชี่าสกิดหนานอินส่วนอนุชาเขย่าตัวขยินแล้วไม่กี่อึดใจต่อจากนั้นนายชวนและลูกหาบทั้งหมดก็พากันตื่นขึ้นทั้งหมดโดยช่วยกันปลุกต่อๆกันไปท่ามกลางอากาศอันแสงจะหนาวเย็นและมืดสนิทราวกับอยู่ในขุมนรกของป่าดิบทั้งหมดเตรียมพร้อมที่จะเคลื่อนย้ายออกเดินทางกันกลางดึก ภายในเวลาเพียงไม่เกินห้าหกนาทีเพราะรับรู้อยู่ก่อนแล้วไม่มีการผิดหวังเลยเจ้าด้วนอันจะอาศัยเป็นมกคุเทศสำคัญในการเดินทางยามราตรีกลางไพรนรกยังยืนสงบเหมือนจะรอคอยอยู่ที่เดิมโดยไม่หายตัวไปไหนซะก่อนแล้วพอมันเห็นฝ่ายมนุษย์เก็บของก็เริ่มเคลื่อนไหวตัวทันทีทุกคนพร้อม อนุชาหันไปร้องเตือนพวกลูกหาบทั้งหลายที่เริ่มข้าวประจำหน้าที่แบกหันเสียงนายชวนร้องตอบมาว่าพวกเราพร้อมแล้วนายได้นอนกันมั่งนิดหน่อยก็พอมีแรงแล้วอ่ะดีมากถ้ายิงกระลุงอินไปคุมหลังหลังขบวนแลวกันฉันจะนำหน้าเองอดีตพรันชดสั่งการอย่างฉับไว กรอกบันดีจากกระติกเข้าปากสองอึกใหญ่ชา ย, ยันคว้า M79 บรรจุระเบิดพร้อมสะพายไหล่ไว้มือถือไรเฟิลส่วนเชษฐาก็เดินเข้าไปร้องสั่งเจ้าด่ว น, นทันทีด่วนถึงเวลาแล้วนะเราจะออกเดินทางกันเดี๋ยวนี้แหละเจ้าเป็นผู้รู้และผู้เห็นเหนือกว่าเราทั้งหลายนำทางเราได้ นำไปสู่นายหญิงนะด้วนนะบัตรนั้นพลายหางดวดกก้าวออกสะบัดงวงเดินเคลื่อนตัดไปในดงอันมืดทึบทันทีอย่างเนิบเนิ้เชื่องช้าสอเจตนาชัดว่าปราถนาจะให้ฝ่ายมนุษย์ที่เดินตามมาเบื้องหลังสามารถมองเห็นการเคลื่อนไหวของมันได้อย่างถนัดในระยะไม่เกินสองถึงเมตร อนุชาซึ่งนำอยู่เบื้องหน้าทุกคนเป็นผู้คอยจับสังเกตการเคลื่อนไหวเพื่อแกะรอยตามแนวทางใช้ไฟฉายประจำตัวสองดูเฉพาะตัวมันเป็นระยะๆทุกคนเดินกันไปอย่างเงียบๆเป็นขบวนแถวยาวอนุชากําชับสั่งให้จับคู่เดินตามเขาไปโดยไม่ใครเ ป, ปะปะออกนอกแนวเส้นทางเดินของเจ้าดวดโดยเด็ดขาด ทุกคนเข้าใจในคําสั่งนั้นดีโดยไม่ต้องอธิบายอะไรมากท่ากลางความมืดสนิทและราวไพยที่งมเสียงกันไปนี้เจ้าด้วนย่อมจะเป็นเรือนํำร่องหห้เป็นอย่างดีที่สุดโดยไม่เดินนำไปสู่จุดอันจะก่อให้เกิดอันตรายทุกด้านไม่ว่าจะจากภูมิประเทศวิกฤตหรือสัตว์ ร, ร้ที่หลบซุ่มซ่อนอยู่ ถ้ามีอะไรผิดปกติทางด้านหลังบอกฉันรู้ทันทีนะอดีตพรานชดวิทยุไปยังหนานอินผู้เดินคุมอยู่ท้ายขบวนซึ่งแกก็ตอบรับมาอย่างสั้นๆว่าอย่าหว่วงไงชดณนะบัดนี้พิสูจิ์ชัดได้อีกครั้งว่าช้างพลายหางด้วนเข้าใจหน้าที่ของตัวมันเองและเจตนารมณ์ของฝ่ายมนุษย์ มันมีสภาพประดุดมิต ร, ร่วมตายของมันได้อย่างดีที่สุดดูจะเหนือกว่าช้างเลี้ยงซะด้วยซ้ำเพราะช้างเลี้ยงนะยังจะต้องบังคับด้วยควานแต่นี่มันไม่จำเป็นจะต้องมีควานนั่งบงการอยู่บนคอเลยหากแต่สามารถเดินนำทางไปได้อย่างฉลาดรอบครอบเกินคาดหมายมันรักษาระยะทางให้เดินตามได้ทันในระยะใกล้ๆไม่ใช่เดินดุมๆเอาแต่ใจตัวเอง ผิดกะตอนกลางวันและพยายามที่จะนำหลีกลบพงรกทึบพงหนามซึ่งอาจจะเป็นการยากลำบากของฝ่ายมนุษย์ตัวเล็กๆที่พากันแกะรอยตามหลังการนำทางของมันเพียงแค่สิบนาทีแรกของการเริ่มออกเดินทางทุกคนก็บังเกิดความมั่นใจได้ว่ามันจะสามารถปฏิบัติหน้าที่มักคูเทศได้ชนิดไม่ต้องมีอะไรกังวลอีกทั้งสิ้น เท่าเท่ากับเป็นยามระวังภัยเบื้องหน้าเพื่อเตือนให้รู้ว่าจะมีเหตุไรใดๆดักรออยู่ด้วยหรือไม่ตราบใดก็ตามที่เจ้าด้วนยังเดินนำไปในสภาพปกติเป็นอันว่าทุกคนเดินตามมันไปได้อย่างไรกงังวลอย่างน้อยก็กว่า 80% เปอร์เซพระสัญชตาตญาณสัตว์ป่าย่อมรู้จักสภาพของป่าเหนือกว่ามนุษย์มากมายนะัก ความฉลาดของมันแสดงออกแม้กระทั่งการใช้งวงฟาดกิ่งไม้ให้เกิดเสียงเบาๆเพื่อบอกให้มนุษย์ทราบว่ามันอยู่ในตำแหน่งแห่งที่ใดในกรณีนี้ถ้าฝ่ายมนุษย์ไม่ได้ฉายไฟมาที่ตัวของมันเป็นระยะเวลานานผิดสังเกตนั่นะมันเป็นเรดาร์ของเราเทถากรฤษ บ, บอกชัยยันซึ่งเดินเงียบๆอยู่เคียงข้างครับ ก่อนแสงตะวันขึ้นนี่ชีวิตพวกเราทั้งหมดฝากไวไ้กับไอ้ด้วนตัวเดียวสหายของเขาพึพมพำออกมาเหมือนคำรำพึงนี่เป็นวิธีเลือกที่ดีที่สุดสำหรับเราแล้วล่ะชัยัศท่านหัวคณะหัวหน้าคณะย้ำใหม่ครั้งป่าใหญ่ทั้งป่าสงบเงียบทุกชีวิตเดินกันไปประดุดเงาของปีศาจ ภายใต้การนำอย่างดีเยี่ยมของช้างป่าผู้พักดีเชื่อกนั้นนอกจากอนุชาที่จะใช้ไฟส่องดูภูมิประเทศเป็นระยะระยะชั่วแว บ, บสั้นๆ น, นอกนั้นไม่มีใครมีไฟฉายเลยเพราะต้องการประหยัดแบตเตอรี่การเดินทางในเวลากลางคืนนั้นถ้าแน่ใจในด้านความปลอดภัยซะอย่างเดียวย่อมจะได้เปรียบมากกว่าการเดินในเวลากลางวันนกะเพราะอากาศเย็นเยือก และชุ่มชื่นทำให้ไม่เหนื่อยเร็วความหวังของทุกคนก็คือในระยะเวลากลางคืนอันควรจะเชื่อได้ว่าเป็นเวลาที่น้องสาวคนเล็กของคณะจะต้องหยุดพักนอนอยู่ที่ใดที่หนึง่งข้างหน้านี่แหละจะเป็นระยะเวลาแห่งการชิงความได้เปรียบด้านการกระชั้นสาวรอยให้ใกล้เข้าไปอีกถ้าหากว่าเจ้าด้วนไม่ดันนํำตะลืดออกนอกลูกนอกทางสักก่อน นึงชั่วโมงผ่านพ้นไปแล้วไม่มีวี่แววว่าจะมีภัยใดสกัดอยู่ด้านหน้าหรือติดตามมาทางด้านหลังมันยังเหลือเวลาอยู่อีกห้าหกชั่วโมงเต็มก่อนจะสว่างซึ่งจะต้องทำระยะเวลาได้มากพอสมควรทีเดียวข้อกังวลใจของทุกคนในขณะนี้มีหยุดตรงกันหมดเพียงแต่ไม่พูดออกมาเท่านั้นนั่นก็คื อ, อยางเดาไม่ถูก ก็จะตามไปทันดารินที่ไหนเมื่อไหร่และในสภาพไรในยามนั้นจะเกิดอะไรขึ้นใครจะคิดยังไงในขณะนี้ก็เหลือที่จะเดาใจกันออกแต่สำหรับเชื้าวราฤทธิ์ทุกฝีก้าวย่างเขาภาวนาบนบานศาลกล่าวไปตลอดทางเพื่อขอให้พบน้องสาวโดยเร็วที่สุดในสภาพปลอดภัย และเอากลับคืนมาให้ได้แต่สิ่งที่แสดงออกมาให้เห็นชัดพร้อมเพียงกันก็คือทุกคนสู้ยิบตาบากบันทรหดสุดชีวิตไม่มีใครแสดงอาการย่อท้อหรือปริปากบนแม้แต่พวกลูกหกับอนุชาวราฤทธิ์ยกนาฬิกาเข็มทิศของเขาตรวจสอบทิศทางไปเป็นระยะระยะ เป็นที่น่าประหลาดใจว่าป่าใหญ่ไพรลึกยามวิการอย่างนี้ไม่มีสปปรรพเสียงของสิงสัจจ์จตุรบาดชนิดใดแววเข้ามาให้ได้ยินเลยแม้แต่พวกมแมลงที่ออกหากินในเวลากลางคืนจะ ก, กระจันเรไรหรือลองในพากันเงียบกริบไปหมดคงมีก็แต่เสียงลำตัวใหญ่โตของเจ้าด้วน เดินรักกิ่งไม้ใบเป็นบางขนาดแล้วเสียงการเดินของมนุษย์กลุ่มนี้เท่านั้นก็ในเวลาเดียวกันนี่แหละที่ดารินวราริกกํำลังนอนหลับอย่างสนิทภายหลังจากที่มันไรได้พลจากไปแล้วหกนาฬิกาตรง คณะของระพินตื่นขึ้นพร้อมกันหมดนะ่าเถาวันโบราณอันเป็นตำแหน่งที่พักนอนเมื่อคืนน้ำพุร้อนที่เกิดขึ้นจากอำนาจระเบิดที่เทวไลยยังคงพุ่งซ่านซ่าส่งไอละอองขาวมัวไปหมดซากของอดีตมหาวิหารที่ถล่มลงมากองเป็นภูเขาย่อมย่อมอย่างปรากฏอยู่ให้เห็นชัดในทุกสายตาแสดงว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วเมื่อวา น, วาน ไม่ใช่การฝันไปของทุกคนระหว่างการจัดเตรียมรองท้องประทังชีพด้วยเนื้อย่างรมควันที่เหลืออยู่อีกเพียงแค่มือเดียวพนวกกาอาหารเรชั่นของฝ่ายนายจ้างซึ่งก็เหลือจำนวนน้อยลงทุกทีระพินตรงเข้ามาหาฝ่ายนายจ้างของเขาบุคคลแรกที่ให้ความสนใจก็คืออิสเบลซึ่งเมื่อวันวานเป็นผู้ที่บอบช้าสะบักสะ บ, บอมที่สุด แล้วเขาก็รู้สึกกินดีขึ้นเมื่อเห็นสีหน้าอาการอันแจ่มใสของแม่ผมแดงซึ่งมันบ่งความหมายว่าหล่อนทุเลาลงแล้วเบนฟื้นตัวคืนกำลังได้รวดเร็ว ด, ดีเหลือเกินอาจจะประกอบกัญาดีและการได้พักนอนอย่างเต็มที่ของคืนที่ผ่านมาทุกคนเบิกมือต้อนรับเขาพร้อมกระชูนิ้วเป็นรูปตัววีพร้อมกันหมด หมายถึงการพร้อมที่จะประจนประจนกันต่อไปในวันนี้จอมพรานยิ้มตบยกมือขึ้นแตะอีกหมวกเป็นโชคดีสําหรับพวกเราทุกคนนะครับที่จะไม่ต้องเสียเวลาเปล่าสําหรับวันนี้เขาประกาศกับนายจ้างอเมริกันพร้อมกับเอื้อมมือไปรับเรชั่นชุดหนึ่งซึ่งสเตอร์ลีโยนมาให้มองสํารวจอาการไปยังทุกคน ผมเข้าใจว่าทุกท่านคงจะหลับอย่างสนิทแล้วก็สบายดีที่สุดสำหรับเมื่อคืนนะครับโอ้ยเป็นตายทีเดียวแหละมันไรบุกเข้ามาบิดคอเมื่อไหร่ก็คงไม่รู้ตัวคิดบอกมาพร้อมกระชูแขนขึ้นเหนือศีรษะดักตายจนกระดูกลั่นกรับแกรบเบนครับดูคุณสดใสขึ้นมากนะครับสำหรับเช้าวันนี้ลรวพินหันไปทักเชิงอย่างเสียง ฉันฝันไปว่าคุณกับพวกพรานพื้นเมืองของคุณน่ะแอบหนีพวกเราไปหมดทิ้งให้พวกเราห้าคนอยู่กันตามลําพังด้วยสิก็เลยผิดหวังใช่ไหมครับเมื่อตื่นขึ้นมาพบว่าผมและพวกยังอยู่รับใช้พวกคุณเหมือนเดิมเป็นไงครับบาดแผลไปยังไงมั่งเช้าเนี่ยนี่จะอยู่ในเมืองฉันก็ต้องยื่นใบลาพักสักอาทิตย์นึงแต่เห็นกิริยาท่าทีของคุณเชาววันนี้แล้ว ก็คงจะต้องลากโครงกับคุณต่อไปจนถึงที่สุดนั่นแหละมันระบมน้อยกว่าเมื่อวานหน่อยนึงระพินผมว่าถ้าคุณไม่ยิงปืนไม่ต้องแบกภาระหนักโดยถอดเครื่องหลังออกซะให้คนของผมช่วยแบกให้แลวเราก็เดินสำรวจกันตามปกติคุณก็คงจะไปได้หรื อ, อยังไงคริสประโยคหลังระพินแลไปทางคริสติน่า ผู้เปรียบเสมือนแพทย์ประจำคณะด้วยอีกคนหนึ่งเหมือนกันถ้าจำเป็นสบายแต่หากไม่มีใครแกล้งกระทบหน้าอกซี่ที่เย็บไว้ของเขาตัวแล้วละ่ะแผลไม่มีอาการอักเสบไม่มีหนองรอยเย็บก็สนิท ด, ดีแล้วก็ไม่มีอาการอื่นแทรกซ้อนในเช้าวันนี้คุณพุดละครับเป็นไงมั่งครับ บุตรชายทานายพลยิ้มพรายตอบมาปนหัวเราะว่าผมก็หลับเป็นตายเหมือนกันแ่ะแต่ทําไมถึงไปอยากได้ก็ไม่รู้สิพี่ทั้งๆ ท, ที่ไม่ได้มีเรี่ยวแรงที่จะคิดถึงเรื่องอะไรเลยเมื่อคืนเนี่ยฮถ้าข้าไม่ฝันไปก็รู้สึกว่าเองนะกอดข้าแน่นปึง่งแล้วก็ทําเอวขยุกขยุกอยู่่อตอนใกล้รุ่งเนี่ยคิดเอาศอกกระทุงสีข้างเชิดบุตร อีกฝ่ายจ้องขมวดคิ้วกระพินยิ้มแล้วก็กล่าวว่าทุกคนร่าเริงแจ่มใสดีนะครับเอาเป็นว่าผมให้เวลาอีกครึ่งชั่วโมงแล้วกันแล้วเราจะเริ่มออกเดินทางกันตามแผนซึ่งได้บอกกันไว้เมื่อค่ำวานเครื่องเรั่นของพวกคุณนะสำรวจแล้วยังไหละเฉะพาะตัวพวกคุณกันเองจะเหลือใช้ได้อีกสักกี่มือ้อก็ไม่เกินอีกวันครึ่ง รพิสนสแตลีตอบมาสั้นๆก็แปลว่าต่อไปนี้เราต้องหาทางยังชีพกันด้วยเนื้อสัตว์เท่าที่จะหาได้แล้วครับแล้วก็ถ้าจำเป็นจริงๆก็ต้องอาศัยอาหารเมร็ดสำเร็จรูปของพวกคุณด้วยนี่รพินทำไมเมื่อคืนคุณไม่เข้ามานอนรวมกลุ่มกับพวกเราล่ะสแตลีตั้งคำถามมา อย่าสนใจเลยครับเรื่องนั้นดรขอให้รู้แต่เพียงว่าถ้าผมรู้สึกว่าบรรยากาศมันมีไม่มีอะไรวิกฤตผมก็จะไปหาที่นอนตามสบายของผมแต่ถ้ามันอยู่ในภาวะระวังภัยพร้อมผมก็จะมานอนใกล้ชิดพวกคุณอยู่แล้วเมื่อคนะืนมันดูเลิกดูลมแล้วมันไม่น่าจะมีอะไรผมก็เลยถือโอกาสไปนอนอยู่กับคนของผม ในตอนที่ผมนอนนะ่ะมันแปลว่าพวกคุณหลับไม่รู้สึกตัวกันไปหมดแล้วล่ะแล้วทำไมไม่ทำตามสัญญาหล่ะคุณคริสติน่าติงเข้ามาเชิงต่อว่าแต่ก็ไม่ได้ถือเป็นเรื่องจริงจังอะไรนะอารมณ์ของหล่อนสำหรับเช้า ว, วันนี้ดูจะสงบราบคาบและให้ความเป็นมิตรอย่างกันเองผิดไปกว่าทุกครั้งไม่มีการเหน็บแนมยอกย้อนสัญญาเน่สัญญาอะไรล่ะครับ แต่ล่วงเข้านารกดำมาคุณสัญญากับพวกเราไงว่าคุณจะมานอนอยู่ใกล้ชิดพวกเราโดยไม่แอบไปนอนตั้งหลักอยู่ที่ไหนให้ห่างไกลสายตาอ้าวถ้าผมได้เคยสัญญาไว้ย่างงั้นก็เห็นจะต้องขอโทษนะครับต่อไปนี้ผมจะไม่ห่างพวกคุณอีกในเวลานอนพักเพื่อให้พวกคุณอุ่นใจสบายใจว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นผมยังอยู่ใกล้ชิดพวกคุณเสมอ อเมริกันอาวุโสผู้เป็นหัวหน้าคณะหัวร้อนโโโขึ้นอย่างชอบอกชอบใจเออนี่อย่าเป็นการถ่อยทีถ่อยอนะาศัยปลองดองกันเป็นครั้งแรกนะที่ผมเห็นระหว่างคุณกับคริสนะเออบรรยากาศของเช้าวันนี้ดีจริงเลยพรานใหญ่แตะปีกหมวกส่งมาให้ทุกคนอีกครั้งสั่งว่าอย่าลืมเตรียมตัวให้พร้อมนะครับยังพอมีเวลา ตอนนี้ใครจะไปอาบน้ําแร่นั่นกันในเช้าวันนี้อีกสักครั้งก็เชิญตามสบายครับผมจะไปสั่งให้พวกนั้นเขาเตรียมแพ็คของละเล่าวจบเขาก็เดินตรงเข้าไปยังกลุ่มของพวกลูกหาดและตะโกนสั่งความอะไรกับพลานพื้นเมืองทั้งสี่ของเขาตามปกติที่เคยปฏิบัติหลังจากนั้นอีกครู่ใหญ่ขบวนค้นหาระเบิดนิวเคลียร์ก็เริ่มเคลื่อนที่ โดยเดินออกจากบริเวณป่าเถาวันที่อาศัยแรมคืนอยู่ผ่านอ้อมไปทางซากของมหาวิหารอันเบื้องล่างเป็นสุสานของมหิตธิเดชะและจิตรางคณางซึ่งบัดนี้ถล่มราบเป็นเศษหินใหญ่น้อยบกคลุมปิดทางขึ้นลงไว้หมดสิพระใหญ่ ย, ย, ยืนรอคอยโบกมือให้คณะทั้งหมดเดินอ้อมผ่านไปทางฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือ เพื่อจะตัดออกทุ่งโล่งที่ผ่านกันมาเมื่อวานซืนนี้ก่อนแล้วตัวเขาเองยังยืนสงบอยู่ณที่นั่นอึดใจใหญ่ๆรังท้ายคริสผู้คอยลอดสังเกตยอยู่ตลอดเวลาแล้วส ก, กิดแขนหัวหน้างานของหล่อนให้หันกลับไปดูกระซิบว่าหัวหน้าคะดูที่เขาอะไรอาวร์ต่อสุสานแห่งนั้นมากเชียว เมื่อคืนก็มานั่งซึมอยู่ที่นั่นนานทีเดียวนั่นสิมีอะไรประทับใจสำหรับเขามากนะักเชียวหรอนอกจากภาพแก่สลักของเจ้าหญิงองค์นั้นซึ่งบังเอิญบังเอิญมีใบหน้าละไม้คู่รักของเขาแม่ผมทองยักษ์ไหลยิ้มยิ้ ม, มไม่พูดอะไรอีกเดินผ่านตามคณะไปตามปกติสไตลีจึงตะโกนเรียกเบาๆรพินตื่นจากผวางคิด โบกมืออำลาให้แกมหาวิหารที่เหลือแต่กองหินนั้นแล้วก้าวสวบสวบตามหลังมาอึจใจเดียวก็ตามทันไม่พูดอะไรแต่เอามือดุลหลังด็อเตอร์สแตนลีย์ให้ออกเดินแล้วก็เร่งฝีเท้าตัดผ่านคริสตินาไปถึงเบลซึ่งกำลังเดินเคียงคู่อยู่กับนายคิดคว้า M16 แบบคอมมานโดที่แม่ผมแดงถือติดมืออยู่กระชากไปเฉย พร้อมกัดโยนไปให้เกิดผู้เดินอยู่ไม่ห่างนักเจ้าพรานเด็กหนุ่มรับมาสะพายไหลไวอย่างเข้าใจความหมายนี่นี่นี่วันนี้คุณจะปลดอาวุธชั้นอีกเหรอเบนร้องไล่หลังมาอย่างฉุนฉุนโดยไม่หันกลับกระพินตอบมาว่าปืนสั้นกระบอกเดียวก็พอแล้วคุณคุณนียยังเป็นคนเจ็บแล้วก็ยังไม่อยู่ในฐานะที่จะรบกับอะไรทั้งสิ้น เอาแค่เดินตามพวกเราไปได้มันก็บุญโขแล้วบอกง่ายๆเช่นนั้นแล้วก็ตะโกนเรียกจันสั่งการให้ไปคุมอยู่เบื้องหลังแล้วตนเองก็เร่งฝีเท้าขึ้นไปเดินนำหน้าโบกมือเป็นสัญญาณให้ทั้งหมดตามหลังเขา